สาวโกโอกสุดท้ายที่เรียนกับท่านนิพพานแล้วศาสนาก็จบตรงนั้นเลยพระพุทเธเจ้าของเราเนีท่านสอนธรรมะาไว้กว้างขวา ง, วางเพียงพอที่จะสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นของเรานี้ธรรมะพอมาถึงรุ่นเราเนี่ยขนาดใบไม้กำมือเดียวนะยังตั้งแปด00พพระธรรมขันนะก็เยอะเหมือนกันใช่ั้ยพอเราอ่านเราก็สับสนเาไม่รู้จะลงมือตรงไห น, นครูบาอาจารย์ท่านก็ผ่านมาแล้วท่านก็มาบอก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 หรือว่าความทุกข์เป็นจิตแล้วนั่งนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกให้มันเมื่อยมากๆเลยลนั่งดูความปวดความเมื่อยไปเรื่อยนะค <c oughs> ่อยๆเห็นนะกายอยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะดูไปดูไปความปวดความเมื่อย <c oughs> มันหายมันชาขึ้นมาแล้ก็หายปวดได้นะพอมันหายปวดไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยเอะ <c oughs> หรือว่าจิตคือความคิดดูสิหาสเปสสปาไปเรื่อยนะ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 ความสุขเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขของจิตโคลนันกันโคนลนขันกันนะแต่ว่าทั้งหมดนัเกิดระดับหูเราได้ยินเสียงหูเราได้ยินเสียงะระกังเรารู้สึกสบายใจรู้อะไรดีรู้ว่าพระตีะระกังได้เวลากินข้าวอย่างนั้นหมาก็รู้เพอรักขังแล้วน้ำไหลไหลเราได้ยินเสียงะระกขัง